มันตายลราความอินมั น, มนหลุดย่างจากของกินเข้าไปใ น, นหลอดจริงๆให้มันปินอยู่ตัวข้าวตัวตายอยู่เรดเป็นอยู่ยังไงมันหลุดตายอยู่พัวเศราเรามาเห็นล่งอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นขับในมา น, านั่งขับลงไปเ้องก็ได้เป็นอันว่า ถอนข้าหมาเหล้าวตัวว่าตนว่าชิ้นของของเราออกได้พอเห็นว่าเราพวกเป็นผู้ศีกษาเป็นจบของของแล้วนอกนั้น้อมทั้งปวงแล้วก็เห็นว่าย่างเข่าอันสิ้นไรเหล้ากินเขาไปแล้วมันกระเดียบว่ามันตายตั้งแต่เชี่ยวว่าเหลาสีเหล้าสามมาแล้วนั่นกระเดียบว่ามันตายแล้วเอาไปปลูกอยู่บนเต็นด์เลา หายิ่งมันหนึ่งมันกินเข้าไปแล้วไปแหงผานโน่นเน่ยติปุกปินนรามันตกตายอายุกยางฮะเนี่ยเาบว่าตายเามันเหิดมันเหิดอันนี้เิดกับายมนกเดียวกันงีาแล้ววต้นตายแล้วกไปเผาแล้วมกบหนอันนี้กัมันเหิดกัมันกรเหนนั่นมนกเดียวกัน นี่ละเราเราเห็น ห, หนมันเป็นของสาว้อความถอนความอยากใดของเรามันก็ขายลงไปพอได้มาแล้วก็แค่ได้แค่หยตายแค่หายมันก็อถอนออกไปความพ้นทุกเราก็ค่อยสูงขึนค่อยเด่นขึนคือความมันว่างมันคอยมีขึนที่ใจ มีละขนาดเราว่ากันอย่างนี้เป็นผู้บริวานในชิงใดมั่นก็คพายเร่าปนทุกในชินั้นนี่ดั่นยังว่าผู้มาพิจารณายัางคนสวนไหวอาชิลังยังงกจิ น, นุเศษนิศัยจะเรียกว่าท้ายนี่ละ่ะ นเรเป็ น, นปัญญาอุ่นห้กวางขวางเป็นเครื่องมาประกอบให้เห็นตายยัยงวานิจานน่าววลาไปสักก้นตายก็ดีก็เรียกว่ามาละนั่งนี่แหละเจ่วงนั่นโบชียงมันกน็าช่นะนี่ละ่ะ ยังไม่ว่ารุปะัชชันสีมันเกิดขึ้นแล้วตายปทัทจออนิจ่าทานนิรุตเชน่นสีมันดับขึ้นไปขึ้นว่าอยู่นะกระบอกตายเห น, นือเชิงศักรย์เนื้อใจสังมุปา ส, มมสัขขมโมทุโวความรู้จักในความตายนี่ เป็นความชุกั น, นยิง่งความความทุกทั้งปวงพอมันว่าอยังเก่าแล้วมันบ่หยุดคือจะเก่าแล้วแะเรียกว่าชุกเท่แล้วมันว่าถ้ามันเยอะๆมากระหนุงเท่าไหร่ทุกเท่าไหร่ไม่ดีิงสิเด น, น, นี้อันเล้วยากพกุนทุกให่ของเราก็ไปคิด ว่าอมันเป็นบาดเป็นร้อยเป็นสายยิบบาดฉันทะวิญญาติริบุญอยูอ่จากยางเชื้อไร่เหี่ยไม้เท่าไรติดตั้งติดร่ว ง, ง ม, มันเป็นร้อยของควันงูตายคืออะไรล่ะมันว่ามันบยอยู่มันเป็นบาดยี่สิบบาดคนที่ เวลาผ่นไปจะเลิกจะรักษาอายุไปถึงอาทรงไข้หรือหญินไปครัวก็ได้แต่ไม่พอถอยในการจะเลิกอายุจะเริ่มย่าวไปจนมาถึงอาสรงไข้หรือิงกลัวไม่รู้จักส่อนี่ล่ะมงกล่าไว้อันนี้พวกเล่าผลเว่าโอยากสายหากเทราบว่เศ้าว่าห้คิดมันมีหลักตั้งลงได้ คิดแต่คิดว่เศ้าว่ามันต่างลงได้น้องรั้นก็พูดให้มันออกมาอีกมันก็บอกหยุดอีกแล้วอันนี้กันเสียพูดกันถามข่าวกันสารพัดให้ความพูดเชิงดีๆกันเหรอให้สินสุดให้สวัสดี เอากันจักว่าเอาอย่างให้เป็นตัวสวัส ด, ดีตัวสุขเจ้าความพูดมันให้สุขมันบ่ได้หยอดมันต้องคิดมันสงบมันจะสิสุขึ้นได้ถ้าความพูดให้สุขมันกรบอมีไผ่สีเหยื่ออยู่ในสไลด์หรอละหรือว่าสั่นตะเกียวทางมัง่งทางนี่มันกระติกบ่กมีไห่ส่วนนอละพอไปเห็นไผ่จะได้มากกว่าจะให้สวัส ด, ดีเป็นสุข หรือว่มันหนักเบาใดของอกปากควาเมันเบาแ่งของมันมือสวกเป็นหลักขึ้นใดนี่ล่ะนี่ล่ะทั้งปากทั้งไปทั้งกายคนยังเหตุยังใส่าเรื่องอยู่บนมีหลักจอยางเมื่อความมือหลักนั่งกระเทากันก็อ่างนว่า เ้อแนวใหม่ซักกองผีกล้วยจะหามันเน่นหนาเพรหาล่มสีหรือล่มดินบ่วไรแล้วของมันกองผีกล้วยบไปสักส้นดินมันบอกแขนบอกมันคงแล้วก็ว่ากันนี่สิละเล่ากระเฮ็ดแต่เป็นยังไงสันทั้งวัตกายก็เป็นยังไงสันว่าใจก็เป็นยังไงสันใจก็เป็นยังไงสันเลยเช่อใจใรหอยู่าเชื่อเถอ ที่ท่นความหวัดหยอกว่าไม่จะตายว่าพอให้มันตายยังคล้องอยากนะได้เพราะมันไม่มีหลักฐานมันมีนมนมเสียลมหลัลกคามที่แจ้งใส่ว่ ม, มีสั่งรู้ไหนยักง์ใหญ่ยีย่สิบบาทบมึทงโธงว่าได้สนหนเซินว่าบ่มยีสิบาทแนี่ อ, อ, อายุยืดโธงพันมาสนหนเซินนะคุณยี่สบบาท มาคิดตังลงดันจินบาทพระนริชิตนี่แหละเหตุนั้ น, นยังว่าพระพุทธเจ้าเองก็ดีพระราหัตเจ้าก็าดีเผลน เ, เจียวจะนอนหล่อยจะนอนพันจะเมน่อหมืนก็ต า, ามเผลนบ๊บบี้เสียงขอเพิ่นรักษาอิศิบอกให้มันตังถ้าตั้งแล้วก็รักษาอยู่ ม้วาหายมันถอนมันอันค่อนแคนไปในหลังเสียงว่าอายุเพื่อนนั่นย่างพระองค์เพิ่นจะปว่วยสิไปเขาสุนิาพานเมืองกุชินาราเพิ่นกันยังเดินไปอยู่ถึงโลกฮิตเพื่อนจะเห็นว่าครูลุงผมลุงมขนหรือจานสว่าน สองหูสองจมูกเพนก่ยังเดินสั่ยุเพิ่นบวันไหวเพิ่นบกบวกนั่งด้วยฐานของสิมันตุบุสุนัมหากพอเพิ่นทีเอาไปอยีเพิ่นทีระงับพระกิเลีอะไรมีเพิ่นนัะว่ากองการส่วนเล็กเขาี่นิพพานไปครับเนี่ยพอเพิ่นท่านไปอยู่ไรอยู่เนี่ยบวแมนนางทา่านยังเห้านอนท่าน คนอยู่คือเฮาคนยังเดิอนอยู่เอาว่าเพิ่นขี้อยากบอบอยากเขาชุนีน้พันเพิ่นอยรักษาตีกระได้อยู่ลักษะเพิ่นป็นอยู่เนี่ยทีนี่ยังภาษาดีบุตรก็ยังสั้นโลกเจ็ดองเพิ่นก็บ้งเหลือชว้ขันเพิ่นเพท่านเขาชุ่นี้พานเพิ่นกับคือดีอยู่ขันเพิ่นไปล่าโพรงทิไปเขาชุ่นี้พาน เพินก็เดินไปอยู่ทันเตะหอดบ้านของเพิ่นเพิ่นขบชุนินออพันของปจุรเพิ่นกระเทศสนะย่อมของเพิ่นแม่ของเพิ่นอยู่นอกนั้นยังส้อนรับเทบุธทธเทว ด, ดาสีมัสขอลัาศนาสันไหวแล้วเจ้าอยามาใจแตยัง เปลียนพอกเทวบุตเทวดาวัลี่หมอเลยอยู่อยู่เพีงสักจนถึงเวลาเขาชิ้นีพานผ่อนแจงจน่ายังหายาจินทาน่องไส้จนขอาเป็นเนาะช่อมจนนอนลกบนก็เขาชิ้ีพานไปเลยนี่ขันต้นเตียวอายุหมันในเสียงอาชวไขกันได้ยังขมุกขมลาอันที่จีจนว่า จนหารอยมันีฉันว่กระดูกเนื่อหนังมุนหมดว่าตามหนังเสือกล้าไว้แหละกระดูกมุนไปห้ามบว่าเนื่อหลังมันมุนลเนี่ยกระดูกมันยังมุนท่นกับท่นยัเขาอุทิบาตรจะเลเอาอายุชีวิตของคนที่เนื่อหนังมุนนี้มุนดีอะไรที่หมดเวลาโงเขาที่มีพลาดอยุเนี่ย หันหักคนที่เอาอาญุวัยอาสุไไนไข่ก็จะได้อีถึงปัณง์ก็ยังว่าเอาขึ้นมาได้ยังไปคึณล่าพรองเขง่าพุทธิท่านอยนู่นี่ความอัศจรรย์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ขันทาว่ายศิลักแต่คนบริอาิบายอย่างนี้ คนอธิบายแจ้าขึ้นได้ขึ้นได้ไปได้ลาเกี่ยพับคณะแต่ทำหลับล้อมของคนในยิธิบาตทั้งซีนี่นีอยู่หากว่าคนบูกชาอีกานไปสนโนไปเจ่า้าโลกพาให้เกิดขึ้นในคนคนก็นยังเดินไปตัดอยู่ยังพโมกันล่าจนตีจนเหนือหนังแหละแดลกเรวกระดูกุณของมูลนหมืนห่อ้าน่ย อธิสานในกระดูกเล็บเนื้อหนังเป็นชิดกันเขยนเนเป็นชิดกันเป็นดีไปล่าตรงของพิมพ์่านอยุคนบเ่าก so ันเนพว่าโดยยุบ so so so so ้นี่ล่ะนั่นเสียงล่าเันาที่หน้าดูมันแน่นเรื่องคนจะเริ่องยิบ้าเ็นนั่นเราก็เป็นผู้อยากอายุยืนถุกคน บาดบดเหตุจะละอุติเหตุจะน้ า, า, าท่างสมันเบี่ยวล้ะละทั้งมันมีหลักฐานขัางมันตายตามการตา ม, ตามวัฒนาะตามบุญเขาเอาหมดเขาสิ่นอย่างกัณห์เมืนไม่เจริญใช่แลนี่ละเหตุน้้นจ้องให้พลาดตั้งใจท่านไหนมันเป็นถึ่นมากไม่ที่บอกคิดตั้งคิดรวบ ผันมันลู้ยังอธิบายฟั้างเหลี่ยงตายเหลี่ยงมุนใจตัวบ่ร่วมเห็นเองมันว่ามีออำนาจดอกมันยังสัญญาความจำาัดเนื้อามสัญญามันเห็มีเหลี่ยงนี่สัญญามันคือจัรยืนกว่าไหม่ฟักที่ควยอย่านี้มันหลบมันคือลบมันหลบ อยู่อยู่ยังไม่แก่เขาก็เห็นคือลบยิงซะมันว่เห็นมันต่างแล้วมันไปมันไปตามมันรู้เลยต่มันจำได้มันว่ามันคิดว่มีหลักโอแตามมันรู้มากมันคิดตามมันรู้มากว่ามันมันเบรูขันนั้นเบรูจะชอบพาองบอกเลยว่าปัญญาจะแหล่ว่าปัญญาว่ามันรู้อันนี้มันคิดตามของเก่าเห็นอันไข่ไข่กระเจงบังท้อคิดตัว เห็นลลอลกได้ยบิงมันคืนของเก่าของไม่ล่ะ บ, ง, บ, ง, บ, ง, บง เ, เ, งง เ, งงเมม บ, งบงเงเิงมันเบิ้งเห็นเบิงเราี่ยองบูมาหรือเรือหาวเนี่ยงมันหลุดผลไมัง่ถามมูเบิ้งมึงดูถามตัวเบิ้งหน่อยี่สิบเราจริวว่ของเก่าทั้งจะรั่ไปเป็นนักเป็นผลยังเี่บง้งกักไร้ิเยคือสิรั่ว สวรรค์พบทธมรงคที่สัตว์สอกันมันกระไดเจือสัตว์อย่างนี้แหละมันบรูอันมันลูบไปในใจไปเห็นสวรรค์พระบาทพิมานเทวุทธเทวดาสัตว์อย่างนี้อย่างนีมันของไหมพอห้าบวิ่งไปเห็นไม่ไปเห็นทีนี้มันย่งนี้มันขอไหมถ้ามันไดเจือว่าสวรรค์พุทธมรรคที่สัตว์่างี้แหละเจตุมดาวดิ้งยามาทุีกาอี่างน มันโมเมนรูดเลยลนี่มันสัญญามันแบบเป็นกาวใช้กกาวอยู่แล้วก็เลยจํากันมาเว่าทำประยุกต์เพราะว่หลักมันมุ่งคิดว่าตัวรูดมันมุ่งมันเป็นสัญญาค่อนจํารูดมากนั่งก็เลยนลมอยู่เซนเนี่ยความรักวัฒนีย์มันโ่เมนสัญญารูดนี่ล่ะเห็นอันเล้วที่เดินตาม สัญญาอยู่ยังี่หลูกใหม่บ่ได้หลักเจ็ดเทียคิด่ี่ล้วในี่หลักมาเช่นนี้มันบกเป็นวิธีบากถึงได้นี่ล่ะเมื่อได้เขียนใจให้เข้าใจเรื่องว่าฝากเล่าบ่พี่หลักต้องคิดตั้งน้องคิดีล่ะอย่างว่าการตั้งเศษที่ใดก็ว่าให้ตั้งใจอยู่อย่างนี้ ใช้เ oh. allora. sure so yeah. we Th okay. mm. ่ยต่างข้ากันในี่รวบเป็นหลักเึ้นหาน่บ่ได้เจ๊เียบเาจมาพูดกัน่านี่มันได้เขาได้มันติดมติดาดเจจควมาพูดได้ติดเเห็นไดนี่คือกันได้แต่ได้จบควจแงดาย่างหรือรคิดจ้าอะไรหรืบ่มีให้ แกลูเกนเหตุวุ่มันกะว่เป็ดบอดบาทติดตั้งลงในแล้วยี่ิบาทที่คิดรวมมันเลยวนตันนี่แหละยั้งวางเวลานี้ก็ให้ตั้งใจให้มันตันได้เพราะเทศนาะเป็นแตกลวนรู้บายเกิดให้แก้ใจให้ตันเท่านั้นมันวม่าเันเตุไปยังอื่นเหตุไปยังเรียมทวีดเรียมชิดไช่เรียม ขลามไปบ่ได้บอกไปยังไงบอกในส่วนรู้บายคิดตักระเบื้อบ่ตั้งเลยจ้าเทียแต่เพราะว่าคว่ำรูเก้าของตัวกระเบื้องคว่ำรูไม่สื่อสอนไม่แยวไปใส่จ้าเทียไปกาหนดแต่มันติขึ้นมาอไรเจ้าเทียมันกับบ่ไรเจ้าเทียนั่นละมันคือคว่ำปีศพสายเลือดลายสัต้าคว่ำยุงขีดกับ่ไรจัตี่เ คือบอกกาหนดในนั่นอย่งว่าการตั้งจะต้งเปลี่ยนเรีว่าสิ่เปลี่ยนไปๆมันก็หนาลาาําขั้นผู้ฟังแ ล, งลวผู้เปลี่ยนมันก็่เห็นชีเลยประโยชที่อย่างว่ากันมันบ่ได้คว้มในการตั้งจะสื่เส็ยสืส่ออยู่มันบ่ได้คว้มั น, นดอกาาอหนน ใ, ให้ว่านั้นพูดเถ็ดเป็นตัววายังไห้ว่าตามไปกันวางไว้ให้ว่าตามไปลในในใหาาไปลักกำหนดกของตัวว่าขายยางเราพูด กับคนอื่นกับใครๆแล้วจีบจ้องการอย่งนี้เราบ่กมีความจ้องการแล้ววยคูกอย่างสือเราจะเห็นกันเดินผ่านมาสิเราก็อยาผู้ข้านจิตจะไปต้องการอย่างนี้ถามว่าสิไปใชเนี่ยกับความจ้องการเ่าอยากปูกจักเขาจิไปเพราอากระจอกจะจิ้มความบรอยากปูกมองอันนีน้เรื่องอะไรอยู่ไม่ท่านจะไปเขาจิตจะไป จะตั้งอะไรกันแต่นี่เขาอยู่บอกกันอยู่มันมีะสมหรืออย่างนี้มันจะพูดกันถ้ามันมีผสมมันมันมีพูดต่ออันนี้เราพูดถามอยู่หันเราก็ถามเล่าหันหลังผสมยังไหมุ่งยังไงอยากให้ฟุ้งฟั่งรูยังไงชท่งเทศอยากให้เราฟั่เลยอย่าให้เราลูแล้วเราจะรููว่าทันวลายังไง ถามเจ้าของว่านั่นถามยุหันะมันก็รู้ก็หาว่าอย่างเช่นจุ่งยางอะไรไงสั่รือไหวฟังให้หยดสั่งใจฟังหลุดเมื่อไ่นน้ว่าเชได้ตัวเด็จฟังเก้าของโ่ะใจอยู่ความบุกเก้าของโถน่ะที่เก้าของโยหันะมันก็เรียกว่างูเหงืวอยงเช่นว่มีสิบบว่านี เขาคิดก็ั่งเชียวคือในคนโง่จนสิจะล้องไห้ต้องได้ฟ้องไปต่ผมว่ามันสมบูรณ์เจพอการศึกษาสร้างให้ได้ความรู้อันนี้จะได้ความรู้อันนี้ไปเป็นรักของตัวกับว่าอะไรสอย่างเดียวมันศึกษาหน้เป็นที่ดีหรือว่าได้รักแค่เทียเนี่ยนั่งก็เลยไม่เห็นรักแท้จัดขึ้นแกผู้สอนเนื้จะกผู้ปฏิบัติผู้เป็นศึกษาผู้ฟองตามแล้ว เขเห็านกเสกันเป็นยังงสเจ็่เ็ของเกาหรือเปล่าหรืเปลาจริันพุทธมาสมบสิ่งนักเสกจันสิ่จ็บมีจนิิ่งเจริมันบามีส่เจ็บพอพูดจนได้บาดใจมันบ่อยู่เอาบ้าออกมาพูดะิดดูว่าเ่นเอาปากว่พูดเดว่าสงบแล้วบาดใจมันบื่สงบ เด่นยางรงวงพ่อแขนไงเพ่นเนื้อเพินย่ยนยานเที่ยงว่าแล้วคิดบ่าดีจริงคิดอะคิดไปตามหลับตามลยุยเงื่อนข้าสับสอยชิ้นเงื่อนท่องพะเม่นนมคิดไปอยากคิดอกอยากมาไปมีหลงเขึ้นผู้จักก็เพิ่นว่าแลยโ ย, ยงูยมมาประมาทกันนะเป่าลเนี่ยมันประมาทด้มันมือดอื้อคือไปได้เดง ที sure. ่ไปโซ่ <Yep. S 1> so ิทธ้งไปเดยเราวีบัสนะเจินบ่าน้าไตู้งล้าคุวคนโล่งยเลยคุณระประมาที่ล่ะเาคิดแล้วรอว่าประมาทผู้ไรเป็นยังว่าประมาทดยกายหรือยาโดารวาอยไรรู้ได้ก็ดีรูกว่าได้ก็ดีหรวรลึกก็ดีรึกว่ได้ก็ดีขอขมาี่เก็นี่ มันบอกว่าเป็นจาะขอเจาะปากมันเป็นนึกถึงใจอิันน้าเส้นไายน้ำเรื่องก็มาเรื่องนั้นยั ง, า ม, านนงามาแล้คิดแล้วว่าบประมาทไขดอกแน่กับวันแต่แต่ว่ามันประมาทถึงตัวท่าบะสงูสูสูว่าได้ลึกถึงตัวท่าระสงแล้วอยากคิดยังได้แต่คิดไปอยนึกยังได้แต่นึกไปพอพุดประทัประสงคิดเป็นไง ล, ลึกเนื่องเขียไงว่าพูาว่าจะเีย ตัวเอาจะก้มอื่นสุดมนุษย์มาลาอยู่ว่าเท่ามันก็เลยเป็นว่าประมาท่นแล้วพุทโธสัมมโอสัมพว่ารูเอ็นต่ว่างเอ็นสินประทับอื่นมันก็บอกเกิดสิ้นแล้วมันก็เลยควบดีทรัพย์สมโยกคือจังหยาทรับยสมเจียมปู่ว่ามันเกิดมันเห็นมันถ้าพุทธะครรมประสงค์สิสดรูเปียนสู ทำสว่างขึ้นมาได้ครอบปวกจัน่าพวกครอบผูดครอบคิดทังายมันพับขึ้นมันบนมี่ตั้งลงหมันป็นรักได้พอบพันกันก็ะว่าคิดเที้ยงหรือจิดกระจาะบองลมพัดคิวบเส้ามนกระดับคิวบเส้าเราเห็นเดมันเรงสิเร็ควบสว่างขึ้นได้เยอะให้มันยื่นั่นได้เยอะกว่าดับเยอกวมือเดี๋ยวกาคด เอาคนที no. ่ a hmm> ิ้มชอ a ไปะพะพุนะโมะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะโมะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธุนุสติสุเสังุป มีอันั้นก a r i ม a r i รก a i บัดนี้จะได้เทศนาในศาสนธรรมคัมภีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ท่นจจะรู้ยิ่งเห็นจริงในท่าน้างลายนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตียนใจและเพิ่มพูน กถิตปัญญาของขันธุทาบริสัตว์างร้ายอยู่เด้วีภาพันมีความเฉียบความเน่งรัดในคำสอนของขพุทธเจ้าเจนเตรยมบลิเบนในจิตกับจันดานของตนของเทนถิ่นนี้เกศนาสกา วังเพื <interpret ations> ่อยากฟังพขาจะรมาเทศดนาโดยพากันมาประชุมกันในสมมกสภาพเพื่แล่นี่โดยพากันทนตามบูชาคุณพระรัชกาลยมกุลสืบถึงของตน้วยอนิจระบูชาและปฏิบัติผูชาให้เป็นต่างแท้พร้อมผลในชนของชนสืบนี้โควนว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหาการมมาหวาในหยู่ใเป็เปี่ยมอย่างชิกัดานลองขดแผ่นช้างร้บริบูรณ์อยู่แล้ว ตอนนี้ไปในกาศเ ส, ส, ส, สือฟางพระธรรมจิตเจ้าพระธรรมจิตเจ้าอันโอวาตคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เสนอจักรูในธรรมทา ง, งหลายนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้จักเรูด้วยความไม่เยื่อไปด้วยความไม่นยินดีในพอใจ พระ อ, องค์เป็นผู้เด็กศัพท์ลูด้วยความสุขยินดีเหตุนั่นไม่ท่านที่ออกไปบปรรพชาแล้วใจของท่านมั่ก็บตก่าอยู่ในความสุขในความสิขจะศัพท์ลูกนั่นล่ะท่านจะได้หาบาย ในความจิตใจมันจีตจิตยินดูในความจิตใจเด็กแบบสลูนั้นไปจังหวกทีมันก็จะแปลว่าไปตามสัญญาตามประมาฏแล้วมันก็สิตจิตนั่นก็ได้เรียกว่าเป็นพ้นึก์หัดของคนทั้งนั้นหามากหายมัดขัาหน่าขันว่มีเงินฉันมันก็ยัง เอนยุ่ราศหรเลายุงสิลหรือบนนึกเสดจายอย่งแบบนี้ใจไหวพามาวาที่ให่ว่า้เอาจะตากวาสัพย์สัตตาไฟจุบแล้วก็ว่าไม่มีว่าเลยจักว่าใจไปตั้งหรือหรเอาใจมาสิไปทีหาว่ามีตาบนนี้มีใจอยากได้อยากกินไฟอยากว่ามันมีชีวิตเดีบนีชีวิตอยากไปประเทศ เนี่ยท่าชิ่ะยนฟังอยากฟงเองแเรียกว่าฉันอากฉันไปขาดน้ำอีวิ่นเยเนี่ยายด้วยเจ๊ต๊ะเจ๊ตาก็ตัหลาย่วงนี้ตั้งชุกตั้งุกเลยแว่าอยุนานกวาไปจะากเนี่ยปัจจัยมันเป็นยันอยากยันหนนไอคดขาิดปรหารอยูุ่ นักเป็นั่งฉันนาโนกที่ปากสลใจทนผมยิ้มเสีมกจเลยไปใ่ยังมันคิดนั่นแหละมยังคิเจตนายึดเหนืออย่ามานาเสียสีแต่ฉันเนี่ยละฉันเนี่ยน่าใจมันกระสันือนานะเสียใจมานาเจแต่ใจแันเนี่ยนะมันก็สันอยู่แล้วข้าจทพ่ว่าขยุติว่ะ ค่าจะที่ว่าแ่ล่าษาพูดวิเคราล์วิเคาวถึงมันเสี่ยงมันกระจนอย่างว่ามันอยากจะหารมันเีื่อยเฉื่อยชินใปูปาจักจังจังิ้แต่บ่เว้าเว้าไปทางอื่นใช้หอยแม่กลไปสิ้นใ่ใ้ายๆชิ้นของก็จ่างไปใจมันทังดำนยุ่ไม่กานที่มันหิวมันอยาก กินอาหารีอยากกินจาจากห า, ายก้าไปไรมันอยากากินจ้าตายไปทางวินแต่โลคเสียตายนี้แต่ข้ามแต่อยู่ยังวินเจ๋ใจมันเนา็าบอมันยี่แหละน้องไดบวกได้ย่างไหนือนักขีดจีบเศ้าผลยสดเส้นเลยเศ้าข้ามคู่เศ้าข้ามขั้มเราไปข่ า, ข า, ออข า, านสามมันขิดพอมันมาว่า แต่ยงไจับตังอันไปย่เนี่ยตัวเลี้ย้ายยัอัน้ไปยงเนว่าัวจับตัง ว, ว, ว, ว, งวแค่เสียวจัพ่อจะกินกเสียนเตียนมันจหมุนไปตามร้อยโคกหรือก้อยก็ดูขึ้นก้อยแก่นันทัาทัเลยแย่มันไปร้อยโคกระตามร้อย คว้ยเสีสยันฉันใดใจมันคิดเ ย, ยออย่างไรนั่นก็วน ค, ว, ค ว, วยมันผ้าเหนตายมันยังกว่าันกระจองสิส่สใจมันคิดอยู่ไหนแค่นึงใชวลาเลือมนกับเงาใที่ไปใส่เงก็สาใบ่มีรทละ เียกั้นเรื่อยส่างสี่ตายเรืยว่าจามมันจักใจจามใจยงนั่นเยอะใสเนี่ยสี่แหละจะให้วาคัพเสนแล้วการสอนมิได้ลเที่นั้นยังว่าคอะว่าท่านใจหยู่แล้วหลดบด้ีบนที่สหบตายสงบว่าจสงบความใจวกสงบแลยนอกากความวอกสงบของตายนี่เเจ็บไวยเนือหิวห่อนหนาวเกนั่นอยู่ ก็เป็นเรื่องข้องใจอยู่อะคิดอยก่ละเนี่ยยังไงพูดเย่ะเสียเหนือ ว, ว่ารอดบอดีหนาวบอดีไงมันด้ดีงนนั้นมันสอนคนให้มีความรู้แต่ยังวาอยู่กับเรื่องที่เสียหน้าเลยเสียในอับู้ันว่ารอดบ่ดญญีเขาเสียพัดเขขออึ็นนั่งกับเขาความรวยความรอดสอนใ้่ไหมเขาเลยงั้นเลยท่ในหลายมาขายอะไรท่านมันเลย สองพันสามคันแตอย่างนี้แต่บน้นเรื่องสอนเนนหนาอยเน้นอร่อมันสอนเนี่ยอย่างเงี้ยวันี้วันนี้เฮี้นมุ่งถึงสีก็ดีตีตะยื้ยเห็ดตะล่ำเห็ดสูบยื้ท่านหน้ามือสีก็ดีเรื่องเล่ามาแล้วมันสอนให้ยื้ันย่าเห็ดันย้าเมล่อนใช้ชีวิตไปชิดเห็ดแสนแสนเนี่ยมันอยู่้ัง่ง แลนด์นมันมันเคลื่นแบบมันยังแสบในเส้นสลาึ้นนั่นท่านแั่งจนมุงเสียงคมกับตาเลืกกับเนื้อดังๆเลืกเนือชึ่มๆใหญ่ไนมีเย็นๆเขาเห็ุหาเงินฮัดท่านเดีท่านเละท่านก็คือโอ้ขายดัเห็ดไม่ทันสิแหละไม่ผิก็ได้เนี่ยชื่อว่าเรามันต็ดีแล้วเวลามันเสีย แผ่นบอดียังต้นยังออกความู้กับมันมาใส่สิ่งนี้มันเท่าเบาบางแผนวหนาบอีอ่าผ้าก็ดีคกิอันอันยางบอดต่คงวั้นยางมืนอ่ะนัน่หนาอันแล้วหนาสลอดตะวบทุกินชุนกันเันหนส่น ไอ้แบนี้เสียสายกันลาเลื่อยิงแล้ว่านมเป็นที่พี่ชนโมันก็เลยดอดพหนาวพีๆบรรยกาศนี่จรน่าอาู่ที่ยังเจ้ากมือหนึ่งวันนั่นแต่พี่ๆนี่มาเจ็พี่ๆเหลีั่นคือเดดาเดีรแยังของบกิดบอนี่ล่ะเตุนั้นยงวักระดิชแยหน้าวัดว่าให้มันลูยจับกับมันหวี เช่อว่ามันเจ้าสู่น้กระเซ้าก็แล้วเพราว่ามันบ่ดีแล้วแล้วพี่แก่นาดีแล้วมันก็เเซ้าคิดบอกถ้ามันบ่ดีแล้วแล้วพี่พี่แกน่าว่าดีย็นสี่ิไมันก็อยู่ขัาดีพน่าใ้อาบ่ดีมันก็เซ้าเข้คิดมันก็จะ็ีกสี่บาทคุณมาได้นีแล้วก็มคิดถ้ามันไดีกันคิดไห้หาดีนั่นไหมันเห็นหาเรื่ดีนั่นเห มันเศร้ดกบดีถ้ามันวาบดีว่าพิษขาเลี้ยงดีมัน้มันอื่นมันเศ้าบด็กวาบอดีเนี่ยแต่ใครบอกจริงจี้เขียในอธิบายเขาไหดตัวควนหวัดแล้วสิว่าควนอดีให้ใครใจว่าเขาบอกอลยได้ไหมเขาบอกว่าจับหมดเพราะว่าเขาดีเราต้องเชืทีู่่อย่งน จะเล่าอะไรรู้แลสัปดาเขาบดีมันเล่าได้เกินขั้นบดีนะแต่วันนี้เขา่าเขาดีเขาบอกห่อนห่อนหยังตัวแต่เอาขั้นเขาบดีมาใช้ตัวเอาตัวผันห่อัน่เห็นตาตัวสลับจาับดีทไม่ให้เตัวให้ตัว่นหนให้ตัวกตัวองสลบผ่อเดอ มันอุกมันอ้างคือบ่เคยคิดใจใจที่เราออกศาสตรมันล่นมันเหลียวอากไปเยใช้ออกศาสดาต้าพาวทาวพายแม่มันนั่นอย่างไลนั่นเขาเอาพวกจักกเขาเขาบ่ดีแบบโจ้คนเราโจ้จั๊กคนให้มันก็นันโจ้เนี่แลวโง่ก็เขาเขาจังว่านั่นแหละแม่ดีพูดมันบ่เคดีโจ้ดีดอกไอ้ดีโต้สวัสดิ์บ่เค่สวัสดิ์จะดีนะดีพูด พอดีพูดมันว่เห็นเล่ามีแห้งดีไ้แต่วาสีแหละบัดบดีเล้าเห็นํามุกลำไสล่ากินเขาขันบุญนี่นะออกมาลูกกินบรี่เลยลำาส้เราบดีมันทยังดีก็คุยแต่กโกแต่ว่าที่สะไล่ะอยากใส่พี่โอบายทีไทยได้เ่นไหนก็ได้เนี่ยถามว่าบดีเขาเดิมันบอทบอดีเราซวยอกแต่วาสีและหยวาชนไหนเนี่ยขับ่เอจ้างกินมันก็เข้าะ ดีเสิยาเจงลตาดีหูดีแขนตาสินดีไบนั้นเกร็แหละ้าเอ็นใช้มาเหมอแล้วเกียดมาฟ้องเขาได้เขาอย่างเล่าดแบบแล้วเกล็จเราแล้วเกล็ดยังไรฮะไปฟ้องใครยังสิร้เนี่ยผลที่เสียได้ล่งหาย่าดีไดล่น้ำเชื่อน้ามันตัว่นั่นยิ่ตัวืกว่าเขาบุอันเชื่อนะ อยู่ของเรกรเซือลงไปยังไม่ร่องหาแต่คนที่กรเือมันเป็นคนกั่องหายแล้วี่เสยาี่ยง่องหแล้วกตายทุ่นแบบ้่ดีของตวจเขาบอดีใทีแล้วตายเออ่ะยางาาใยงนหมายยุ่ยใช้วบขหนาขกที่นั่น่ใจลงื่เขาเขามากไปก็ได้ ดีเพราะเาไม่ต้องวานในโลกบางทีใช้ไม่ใช่สบายดีแต่ยุวิตเอาเราจตายบางีสิไแต่ความบางทีนี่ก็หันกติสิ่งการเรื่องมัก่ายเนือใจเสียาจะหนีแล้วฮะเนี่ยไอยุ่นวายเนี่ยหอุ่นวายคิดหายนดีส่งหาคิดมานตังลงไลนั้นก็มอสร้นงขีหกันแล้วไายยงแรกก็บอเป็นหายายยังแรก็บอกไปมาพอบ่ไปคิดพอบ่ไปนิด เอ็นเจ็บใจมัวไปเม็ใไตไข้คว้อนตามถ้าเอาไปเม็ดไตสข้คนจามันได้ที่กรนนไปจ่าากบ้าเส็นตจุกตั้งวสิ่งเบดใส่ยิิ้วาถ่คิปใส่ชางเลยนักมากทีเดียวเลยทนาเจอไปจคิเทีายวอนคิดเศายูให้คิดเไปทักมาดหน้าดหญ่พอมาหลายยุดนมาให้ไม่งะไม่งียบนบุคคลผู้บ่มีมแก่ไปขอข้อขาดหนึ่งมเสียงดเาว่าได้ให้ มันเดเป็นเม็ดได้หลายรูปแบบโกยึงสเขาใส่ใส่กัรยกได้หลายเจอเาไปปลูกเอาน่ล่ะครับมันมันได้ชีสเทนล่ะนันเกิดครับขึ้นมากในเช้นั่นเอาไปปลูกันจะพิสซันั่นจะพิน่ายหนักหมดเส่ยเนี่ยน่งกินเชผู้สลับเอาหนาไปใช้ให้มันเป็นมากถึงที่เลยนะายอันนี้ยังหาสลับยังก็บุอยู่งยางเยาวและเอเป็นอย่าี้ิ่งได้เฉิงใ สังไั่หดว่าสว่าหอดว่าเไปทุบคองฉันมาเสโยข้อให่พื้นเล่ามืดซ่าอยู่ข้าวมใพ้นล่ามันได้เ็นอย่างเดียวผมสมมกลงเสดสระสาเนี่ยเสนหินยัดมันจะรามันจะยังขีแก้ได้มันยังขีดเป็นหินอยู่บ้างไอ้นี้มันมีหายแต่เส้นหินย่เลยเชื่อเพ่อมมันวนไเนี่ยเนี่เนียนะมาเมื่อหม่นี่ มันเป็นไท่แต่เนา่ยแค่หนีไม่รอเลยเนี่ยแล้ววายยิ่มันเหนื่อยหลายเลยมันเลยว่าจะคิดดีดีนี่แหละเดี๋ยวมันยังเสียใจเลยอะว่ะหนูกำชีพตายมานะอยากชีพยังไม่ตายเนี่ยทนก้าวทิจิณ่าทนกระเดาหันยามยังยังเสือคงตายเลยจะเป็นนี้จะมาตายช่างสิร่ะแต่เวลาเลือดก็เสียยิ่งนิ่งแล้วจะตัวดีกว่าเยอะตายไปนี่ บต่ต้ใจมันในวีหยุดยังเนี่ยยังสี่อธิบายให้ท่านมาเลยนะั่นแหละยังเานูลูกจับที่นี่ไปที่โน้นที่เล่ยยูเดิมรวาายย่าตายแบว่ามีเล่ยยูหันม่งตั้งใจว่าเห็นนี่อบนมันไปยูบไปเห็ยังตั้งใจคิมันไปยูบอลจำภาพใมันไปยุ่งใส่ยีปยนยานเี้ยไมเห็นอะไรแต่ว่ายืนสีน่เนี่ย อันนี้ตลาดฉันต้องกินเวนประเด็อธิบายไปแล้วแต่เรืยอแต่ันดีด้แห้ายเ็มันใเม็ดนั่นอาหารนันใหญ่คับปลอดภัยนั่นจเละหรือันนั้นนั่นสายนันจะทุกข์ขึ้นาเลยเพราะของที่มันเนืำลังอถู่เป็นชกนันหายแต่จำจำเป็นจะหามาินเยให้ทุกเยี่ยงแลหาจะดี ย่อยงแล่ร <it> ียกก็มันถึงถึงมากไหนว่านั่นกะายอีทีมันเงยมันหดางแต่หันมันก็ะายอีหัไม่ินีลยเพ่งนังเพ่งแ่นนั่งเรื่องไปเลยนั่งมันจายรอยกว่ามันีงเราันมันมันขึ้นแต่ใดดีมันขึ้นมากนั่งนานมันก็ทำหยู่ยาไว้สีเวลาจะมึนจนไ่คิด ได้สั้นเสร็จเป็นได้ลกได้เนนั่งกระจากนั่งจับเดินยืดนนั่งมุ่มันเก่อยู่ย่านี้มันเหตุยังเชื่อแข็งแรงกับผู้ศรันใจเล็กจนยสิบบาทรวบระดับมันยังจะใช่ที่ว่าตีจะด i กันมันโดยดีให้น้ำปุ่มยี่สิบสองมันเหตุยังเช่นมันจะตัดทั้งาตมันใส่ใส่มันจะใส่บ่ได้ไร ใส่เส้นั่งก็ดูเห็นด้เร่องสิ่งเหลมันก็ใช้มันก็เป็นนี้คือดาบสร้างลงได้แพะปัญญาไม่ต้องเชื่อมตันเนี่ยาคือดาบที่สืบได้นั่นแหละได้ไรียว่าเชื่อมเื่อมสายอมมีฮ้นี่จะซ่อนจะยำยีเจ้าของเต้ากัแต่ละผ้ายืดคิดอะไรเอาไว้ชื่อใส่นี่เรื่องจะผุดจะสามจะอืมก็แต่ละ้ามาผูดมาสามดาบไป เดี๋ยวไ้ธรรสิ้างอยู่ในจิตของนสร้างฉันได้มักเฉนฉนได้เปงเี่เดียสางได้เดี๋ยเป็นภาษสมดังสิ่งเตาพระพุทธเจ้ามือขุนหารบนี้เสียงฉันอยู่สิ่งเสียงนี้พูดี้คูดฉัจะได้ยังอ่านนี่พวกะ ใบตาแล้มันตาหยัางตัวงามเป็นสีเหลีองคือยังท่ำตาประเชไดอยู่เพราะว่าฉันน้ำอาตาขหน้าใบเหมือนเกลนดาสลกตาไม่ค่อยเห็นบอกชาส้มงขอหาได้เขาเระเล่าไปสวารค์พระเจ้ารักง พราเจ้าก็เสียนให้เกิะเจ้าเขียนให้เราไปให้พพุทเจ้าดูพระพุทธเจ้า้นลเออจารึกหนึะมันสิ น, นพระมันผูดผดผุดยกขึ้นเลือมัดูกอาจะเลี่ยนบ้าผีเขียนแหลงแบุคเพฆูน กระเทือลูสั้นดีสั้นตัวสั้เว่ยเนี่ยแหละแม่มันตายจากคะนั่นจะเลยตัดมาหายุดฝามียังหล่าตัวมันสวยเพราะมันมีสิงนี้ได้เชเ่อว่าหาความันเป็นผุดเคยเจอุดเลี้ยวไหลเสือหาเรื่อนเฮเจอผูยอื่นยหล่าตาบมันอาดิบมันหนึนี่แหละวาน ผลยือเสร็จข้าพนุ่งทั้งหลายนั่งกันมาดูยต่นี่ไดนนาา้ยืนยรรนน่นเต่งฉันได้นนนนสนินันขอเล่าตามไปต่อยละอันเถอะผลยืดกลมักขึ้นยืดข้อหว่างัวโว่สันเ่ากับน้าจุนตาแน่หั่ขาแมวสายบ่บถึงสบพานนั่งกันมากเถิดจุนตาไม่หนุนถึนี่บานขาแพ้ขาแมวหลายสาบหลายศพละวะ นั kids, well ่งกิจบัตรแ้วนีอย่ที่ยังกเ็แสตไฟรพคนแสแบบหลาย่นบวชเป็นทระเทวมนั่นคือพ้นจากบาแต่ทงสิ้นจะได้ไปบวชสำเพอลหาชีพ้ดมาบวชถึงหาชีดงนี่ละทำเงียจิไปเชยวไจำเพิ่นจำอยู่เหมือนเ่กันนะเยทั้งล้าได้ครับไป คือแหะท่านนี pal, atheist, ้ละน่าจะเจอเสียหายด้านซับเองถามจำได้ท่านมันใส่ราท่านนีักใส่ราดังขึ้องถามไาไม่มีเสียงอะไรย้อนกรับข้าวสาไอ้เกลวมากแตถามขาวจำไเลยไอ้่ตัดใส่ยิส่ิ้มขีอยปาก้วฮิ่หมีฮิล่ห ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็กลมามากสตีและเล่ามาบัตรกุศพระพุทธเจ้าสังหารสตีไม่เคยหนีหรอกยังบุกนั้นอยู่ชืออะไรแม่พ า, น, พา น, นั่นูกพาะองใช่ไร่ไร่หนีหรอปแลจวบใจไร่หนีเพราะว่าประจวบเปนก้นี พระโพ์าเลมันกินเมื่อยยันมาขอธรรมะหมันคอยังคจับจามาพระองค์ะสงหมจะบอกลิ่นยังตนั่นล่ะท่นน่มาตั้งควจับพระองค์จากจะงประงดคคนอยู่คิดแตเรื่องไหนิสัิมาไดยวะไรถังแต่ใค่ต้งประนงดายางเรื่อง ข้มาศึกามาแล้วเจ้นพาเรียกเ็ยังได้เด็ไปถึงขใดเนยนักและเจ้าขาเยนมีมาท้นี้คอนักจิตวิญาต่างคเาเยจิตใจทั้งชัเวเราสาลทั้งร้วิริยะสรรค์ขึนาเรืน้เยอะถ้ำมันจะโยังเลยแต่รกฎแสนแตยังเลยแต่ระกฎพายุที่เนี่ยเป็นขนี้คือขันเล่ยจิจะเนี่ยทั้งรกษาท่านปู้แตข้างโลก ท่านทำไปท้างลูกคนคินคนจและจำ่าจำใจแคการอยู่ใจจิตนั้นแล้วเรียกรักทัลูกเอาเนมไปจับคิดกันแล้วมันเอาหมาืไม่ผจิตเอาควานลูกคิูกกันอภิษฐานน่าสงบแบนแล้วสงอยู่คิดป็นจะเลื่อนได้เพิ่งกระนหลเนไม่ติดไมีว อันน well ี้แล er, ้วเลินันินอกับพืชจันทื์อกันทร์ปกอน้ํยางเ้ยราไปคิดเรื่องพมันฝุ่นพืชมีนอย่างจันทร์น้อกนั้นยังเงี้ยตเสื้อหรืเี้ยสะาดหายุ่งดืเมื่อทางไหนวไปอยู่หรือตัวห็่นเอาแบบคิดดเด็นนอนหลับไปจันดี่สเหลี้เสียงรเล่มจะเพื่อแต่เหตอะไรก็คืบาปคิดเพือมันสิ่ลงแบบน้องเกยสือหน้าขนหน้า มันก <ersch> ็ ll, so dann, er so ้นีมนกัน็นีนาละมันก็ด so, so like, so ้เ so ื so mas, so ่อเยนานนนละเม่ละเห็นนงจมาแล้วสืตความการศึกษาเออนือยเสยน่นงสี่บทขอให้สลาดจะได้ให้สะาดบริีสะาดขึ้นไดเกี่กับสี่บทเฮ้ยเเคยสอนได้ไหมสะอาสอนจะั้งจะทั้งเหนื่อยนั่นสอนจะสะางให้คำวิจารณ์มันเาเบสตะล้างขนได้ความตัวของเาะว่าควาหนื่อข หาจนเคยเรื่องนั้นพกชีพแล้วเจอเจอเอาเรื่องนั้นน่ะคิดพีอยู่ลันเจอเจอจั๊กยิ่ลครับถ้า่ันมันกตอมันยี่จะเห็นไปเรื่องเจออะมาคิดหนึ่งีอยู่ับนัมัใอย่ดแนุ่หาคด้วจะคดหาเรืองเสียหาอะนี้ยกคดเอาเืองเนน่ะพับผมอยู่นสัมสมมติรองันได้เรียนในแต่ลเรีเต้า เราบอจัดโต๊จัดไม้จัเียอบกดบอกทีฮอลลาบล็อกทั้งตัวลราจะเช็ดเพื่ออะไรฮะเนี่ยอย่ายิงถึงน่งาึมาได้มันหยส่ยิ่งเสีเสน้าแบ็กนาผัดิ่เส็น้าผักง่ายิ่นไมไม่ิดสไม่ติดเศษง่ายึได้อย่างก่าเป็นเยื่อเนเน้อง่ายเนัได้มัไนได้นุป็นเยื่อเอ ยื้หลายตับคือยื้ยคุ้ อ, อ, อยู่ยือหลายต้ืออย่งบนนีไหลายตนน่อหน่อยีาเติมยตะชุ่มยอดเติมตะยวงอันดุษฎะสัมมณ์เป็นน่องเป็นลูกเ่็นรับสาธุบุเชื่อว่าเมา่ของวิษฎะสัมมณ์เป็นโยมวัฏฏะส า, า, าีบุ แต้ววิสาสะะเน้ น, ม, นมันเป็นข้อที่ยา อ, อาขอาเดือดของกระสือรูดสะติ้งที่เอกติดเือดก็คอของกระสือรูดจังเกอร์ศาสหลังเป็นหยดหิมะหนี่มากและสามารถเห็กระแก้มเกิดลูกกระป๋าติดก็จะยืดบานในร่าง มันโยมีปุเรย์เสรแชนหนุ่มยมมีสรมล่างไม่าดรลยลาษาลีบุตรเท้าจะเลยอยากไปเยี่ยมจะเลยไปเยี่ยมขันไปเยี่ยมเนี่ยเห็นอยู่เห็นภาษาลีบุตรกูอยู่ใอยู่เชียวเร่าอยูอ่ของเชียวของเรา่าแก้หักไหยพอสุกสมบอกมาเป็นลับก็าเป็นผ่าน พอ พ, อพาอษาลิบุสก็สิ้นภาคงั้นนั่นก็เลยไปเชีย่ยวแสลบวิชาชาติหนึ่งา น, นุ่มเขาว่าท่านแสลบเป็นของถืดเขาได้ควดผถับเขาเลยอนุษณาในขาดอันจำพ้นทีนึงในขาดท่อมคว่ำเด็ดโอกมาทุ่ขปยาตถึหนึ่ง มนาเปนสิ้น่างนั่นเขาหเปนเชี่ย่านหนุเลอกเกือบได้พอรู้เลยวะ่าพาชื้อวิศาสตสัญขาเป็ัญหาหากมึงก็ไปเล่นเอาเชื้แบบให้ภาพเขาดีบุตรหกเาดป็นยังนาเชื้แบบชงขาดันเพิ่น ขาดแต้เพ่นที่ขาที่เดิมเอาหงดิมาที่บินยนน้ายา่บบอกายตวแ่บอกดเามนญาตแบบยให้หมดชวิดไปินลัคนหนึงบาตสายหมดเมื่อสายแลีบต เมื่อรับเสร็จแล้วสายจักจะนั่นสามาเป็นลูกของเงวโบราณรีดิเป็นขั้นหนังนี่เมื่อเมื่อหากถ้าฝนทมใงส้ก็แากจังชื่อตอนนี้มันศักรูปธรรมบุญเชือนื้แม่านได้ภาพจะเอาผากันค้นมาพัวหน้ารับผมแดง ทำามค็นคาเซริบูตหนึงยัมันไ้คำนี้สู้โลกพัดไสแล้วจะตาดได้ทำได้มีตัวเดปดเล่าหาเล่าโดยมักปวดไม่สักทีหน้่งทำเลิเลยเลิกเสด็ยังขยายคำากม่อเกิมือาอาสาคำพูแหมนัูนั่นเลยเลยสบ บนต้น่ทรวันนึงกันสุดแล้วคืออะไรท่านอาสลีบุตรท่าจะหาเนวเอาไปรมาให้พลีบุตรท่านกวนผมใทรม้นห้อเป็นอยงต้นแล้วเมื่อครั้งเราหาปั้นท่านไปดึกี่เลี้ยงมาเอาเงี้ไทยเช้มาเลื่อนไส้หรือหลุดพอดีเรื่อยาเชให้สี รู้สิมาเะแล้วอออก็โ อ, อ, อ, อ, อเอาาคใ ช, ช่ ร, ใใใใรู้รบ้างมอนนไม่แม่เลยเออังกาจะชนะลูกฮะสบายจะได่างให้แม่สบายเข็มเข็มบมันนักสมรภมิเขน่คอังยีราฟจำชื่อดีจ้ะปัตตุลาฮไฮคาริบุสไฮชื่อยู่าริบุสไฮด่าไฮตังน้ำข็มท่าน น, นี่ ถ้าฉลรเลอไอ้ทีเดียวเท่านั้นะวิสาสวาดอวยเชื่อถ้าฉลิบุรเชือเดิมเื่อนว่าอันรุตัดดิษรุตัดดิษะเ่น่าวก็หลีงมันจะน่าจะดิษะตั้งใจมีหลักเท่านั้นเกลื่อนใจิวิาอายเจ็ดขวบเกลืนี่ใ ถ้าใจอยากไปบวชนันเนลมยนบวชเมื่อเราบวช้นกงไปกวนเพรมนดจมันน่มันลาหมู่เดียวัลุมัหาเกียวลนั่นลับตอยู่าลบ ไล่าาดที่ไปใส่เยใส่บาพุ่นละตัีทอ้านลบวัน่ีะคน้้าทั้งสีอยู่นัน่ดู่อเออยาไปสอนคุณพูดทาตา มันอากาศดีบ้านยุ่บาถึงกวาไราอะแล้วคืสนกรรมฐานหาไม่ไ้อนหาไปเล่สนสัพูดเรื่อสเขสมุนทามาเขาก็บาดเป็นต้นก็ได้ใช้หายทางน ยี่สิบชั้นจ n ให้คนเอ็ดกิ่มบาโพนิคลเออทเห็ค เนี่เนี่ยเตที่เจนณาธรรมะที่ไปสริยุทธ์ครฐานสมุรสาครท่านใหญ่เนี่ยโดยเฉพะเนตรอรหันต์ฐานไม่จะเื่อคนสรทีทีนี้พองเจลอพองอยนี้เข้ามาไลจุถึงรบ่าถึงที่เก่าเาาละพง ถ้ากลลบุตรเนะลา่าภูมิอจะเสียพิ่งเขาาจะเสด็จไดูเมื่อเพิ่งจะเสด็จเขา จ, ะาขาจะข อ, อะไรใช่รยิงเราบวชยิ่งเมันบวชเงี้หนาวเส็นพรนะสิงใลหลายลาไปกระชึแล้วจะถามาบุตรโอ้ะเ้าเลาพ้นพระ เท่น่าดิแลนาตลาดเท่าน่าห่มดาล้นรเลเียักเช่อมฐานมพระผู้สิษย์เก่งารผ่าสมพนมโอ้โหเดินไปจนที่เลวามลับใส่หน้าใ่เลืไปบอกบุญตั้งรรภ์ลอกคัมแครงใส่นั้องหละก็คือสายลิ ท่านสมุนอยากคภาพพท่นชื่อเาหนยังจะเลืพ่อคนหนึเลืไปเมื่อระส้างหล้าโดยรับอุปการะมืลอย่าง้เมื่ถึงวลาพระองค์จะเสด็จไปโศกตอนสร้างพดาลาอะไรก็เลยตามอยากไปนอกจา สมรรถภาและวโมกขล่าอัตตาจ้าเรืเศร้ า, า, ม า, าม่ันการตายตาตาากรนุ่ง้อยกไตหละเสล่ายๆใส่กางเกงเดียวเพื่อเป็นกา ง, งเกงที่นุ่กลัวไปเหวี่ยงที่ศาลเจ้านี่นู่ละก็ว่ามี่าต่แล้วพระองค์ ผมพูดตังอยู่ในความมีอำนาเยก็ระเบียบใส่ตะกั่งเตยกดดันเมื่อตัดง่าถ้ากัรเตยทามสปล่าต่อใส่ชั้นเตยรัตการใจจะันต่อไปริบุพอใส่งินเท้าเข้าวัดสร็จจงมาแราเดือดเคล่อย้ายยุทธาสร์สมรรถอยู่ยุหันละันแทย์ไตอาลับขณ้าผักดุเพิ่ท่านสาวยุทธศาสตร์สมรรถมเพิ่ โดยเฉพาะในเรื่องของปวดเข่ามาเยอะอาจจะทานยอทำานนักหออะไรอย่านี้ส่อนเเวาร้งและจะขั้นเยอะสุดโต่ตะยืบนี้เ่าจะต้องส้ดโ่ะไร้ใ้นจากทุกแล้วให้ยืทุกให้เต็มจากท นี่ตอนนเลยตั้งว่าเท่าสิเท่าความคิดระยัดตั้งภาค้สิ้นกเีย่างแล้วผู้สิู้บาดาผมหเออดีละดอาเียบดาเาวีาให้ับนี้ตาจันทุกาัอา การส่งงน่ายรับคองเกี่ยวกับเอวายึดต้นจุังสาุกั่อต้นยควาสุ้ากมาน่นเกล็ดถอคำอุปถัมภ์เชอยมสาวเลดชนุนี่ละเนือชินเพโอ้เคืออะไรร ยกจนเลยอธิบายใส่สลับยกเรื่องมิตก็สุกยกเลยนี่สัตว์ฉบัดี๋ยวอมิตรยกใหญ่ละอมิตก็สุกแต่ป่าสัจจคุณิสเด็กคิดเรื่องนี่เขือนกันลูกเขือนเขาดมาขันยังสิเอาไปไงสลับ กว่าส้างมันเงยเงยข้าเ ร, า ม, เรมาขัล um ah, <wah am, S 1> ่างฮชกะสูงมากไม่สบอุบ่นแล้ววันนี้มันหล้นมีมันหลายเส้นมดด่างมากสเ็นี่ยอิน่มเนี่ยรนอมาหลับไปสั้นไสั้นเข้าถึงขั้ว้นตะไคร้ดษะชนะ่เสืแท่นรือหายเงดิคนเส ถ้ <languages? S 1> าฉันรู้ว่าจอะไรจิตเจิดเจิดขึ้นมาด้วยเหตุเจตสญาเจือใช่ไหมเจเจตญาไม่ก็จะเจิดยันเจิดเฉีอาทิตย์ขึ้นสงสารเรื่งเสียงคราบเจิดครับเจิดเจตสัญญาอยู่กับเนี่ยเสียงแห่งยิ่งเสียงสัตย์ยิ่งเนี่ยเจิดขึ้นจะพัดเสียงแจ่มันก็เจ ที่แท่นเซนเซ็ปวัดนันเสละพระเนี้เพิ่มกันอยู่นะเนี่เพิ่มอยู่เยอะเพิ่มไมเอ้นกริุตเออที่สาอวเอยอย่มน่อเพาจะ่ว่าตัวโอ้ยคนกวาอาจาย์อ่าถ้ามาฟฟังแต่วเล่า อบาก้นาโอยมีเาหที่ที่นมาอาจารยาอันนี้ว่าอายุดิบพี่ัไปแยนะเนี่ยบก้นตวีจา้าถ้ากรตั้งเกดสจผว่าเป็นลอาจะใช้ชวายอยู่นี่คือว่มอานเวลายุเจ็วบทาากาเ ไ้มอยู่ม่้ามข้อมด้วยาสาคนก็ยังเหนื่อยเสมอละเราเห็นอย่างเกือสั้นไหมยังตายแล้วหั้นหัวยังตายแล้วรืยังคุดน้าบ่อคุดย่อมจะฟอบอิกการน้ำจ่เพาไปคุดไปบอื่นน้เร่งก็หันน้ำกรถึงผู้น้ำถึงข้างน้ำไหลหนาแล้วอนา มันค <Syria>, ือพืชเจบหนีมาเห็นมันพอกิออกขัดไปเก็บพัดไปเจ็บือผลหลายเลยแค่ดื่มกันก็กลินมันไปเกจบสมดใส่ชีวิตนามันไ็่นถึงตาพระาถึงันอยู่อันนี้แต่เรับเล่าสิเเพราะว่ายังห้ยเกินทุกเอาว่าไปเพือขุดนำเคือที่ว่าเลยออนนีันี้ามะัดระวางรักษา ใหญ่ทั้งเสื่อมดีดไม่เคยจั๊กละทั้งพูดละทั้ง่านของเสือนั่นและั้ืดทั้งเสืมันเป็นกระแสท่านเตาแลวมันเป็นข้านอดู่เพรานั่นอีแล้วเราบ้าฟืดนันเฉลี่ยล่วครับว่าถ้ามันไปอยู่ทั้งๆเราแล้วเะไรเรามันยังไปจุด26จุดจนตาบทข้งไม่เราเห็นเตลเจอทั้งทีดเส้นไอ้ที่ชนะดีเชื่อว่าเชื่อว่าดีเถอะแล้วดีดีเคยือเถอะแล้วเชื่ดีเลยเื่อ ไม่มีหลือก็ไปที่แกน้าท่านลอยลอยไปไอ้เงี้ยท่านมาฟังไหมือจะึนเตาของโดเหตเรื่องะไเป็รื่องผิดตลาดจับจตายเยอเส้นเสร็จไปเฉยฟังไปเฉกรเจียเื่อใจจะสาดเชื้อรุดเสนเกะบวแบเือี่เช่อเปลือเป็นหัส้นสาดที่ยังส่งยอนี้เหลวว่าเพิ่มูกล่ะนอกนั้นนั่นมันทีจนีละ พอต้มเกลือแล้วมีสุบข้างข้างบวชแยืมย้ว่าบริโภคอาหารโดยวิธีกจะมาเห็นปิบุรณ์แบวามเชใจบริโภคเาเห็นว่าเป็นเสื่อาศัยน้ำตาลน้ำอาศัยองค์นมีองค์กับปยูรแลน้ำฉันด้ต้นกับนตาอาศัยอาหารถาม่มีอาหารไกระโตงไหมวะลูกอ ล่าตายแล้วผมบ่า่งเลยมันตัดน้เอาไองค์นั่นนี่ทะลวงวัดลูกเรามันตัดมากอาหารมันก็ฟอไ้เอตังได้ผม่พี่นาอ้างสิทีบายใดดใดหนึ่งเลยบรีโภคเขาไป้มอาจจะ้มหรือขอย่างสิไรพรรสบัตรสุขศาลาวันนี้ว่าศิลวัสสิบวชจาน ดังคอยเวลาาเนื้เนประเ็นนักจิตสาจาร์มานละบ้านคอยที่ตอนระดิษขดาันมันลเป็นเสามือที่ระิษสันมนลโถือิ้มแนั่ถืยุบเนื้อที่พระบนเดียวแค่นั้นเด้อเดกคนกะดันละถึงอยู่เนี่ยนี่ลมันกป็นประเด็นอันยันการคอยโดยมืดเนื้อมันเหลววันอยู่อย่างักจิ จเรื่องเครื่องบริโภคอาหารก็ยังข็นเราอยู่แหละมุ้งพอนก็ยึดเราผมว่าพี่จะหน้าเลี้ยงใจเลยมันไม่เป็นภาษาญีปุ่นมีอย่างก็เราผมว่าพี่จะหน้าหางขนนางนั่นทีดจน้ร้อเื่องบุรนี้จนาเป็นมปัจุกต์เนื่เป็นมาที่เจนะคะก็เป็นมาที่เจรจเนิดถึงทางนั้นหิเจ้านี้จะชื่อเ นีงคือละเอมีรถขี้เจอตัวอจาเนี่ยตัจาทางรถเหลืเนี่ยมันเป็นขี้เหลืองเมื่อไหร่เหตุนั้นยังมันตำขี้จะน่าอ่านเดี๋ยวแค่เบ้นยี่เหล่ยื่ปากจัดดีก็เชื่อยื่นแรกก็จำเดนี่่บางแเอามันแต่ะมนี่คือหละวัคือ มันเขาไปแเ้วเรกว่าเขาเขาคันสำหรับรักาแล้วมันก็ตื่นเตือนหอลยี่ะไรเด็กท่านื่นเมยน่งว่าให้ตื่นลยชื่ือปทั้งสองโจนน่และแล้วว่เป็นประโยชน์พระเกือก่นบะลอดี๋ยวมันกล้องเลยระลอกชึกผ้าเส็หนังตงนี้ทอดระลอเทานั้นเดินไปถึงบ่านลงเชื่อมนี่คือสำับระลอกจบเลยเนื่อ นี่ชือ่ะเ๋ยวมันยืดกระดานมันโขกมันอยากเคลื้อนยืดจะดีมันไปหยัดก็นั้นนักฮักนั่นแหละลมนมเงินใต้ใต้จึงกระโ่คอะมันเกิดอาไรมันยืดแงใส่บันหนึ่งยืดบันหนึ่งเหนกระโปงใส่ยืในเงียบด้วยคมนื่อาไปด้น่งก่อฉันที่จะาหยุดต่วดตงนยังเืนผ้บาดไข่ฉันที่วด้อย่างนี่ นะครับเพนมากระโอ้าวเลยรารสารแบบนี้จับันี้มันดเสียงเพ่อนว่าที่จะมันยื่นขั้นระมัดระวังสุดยั่งเลเ่ยโม่งจำหนี้สีแล้วหนึ่งพักหลุดหยน้ำแกะา่ายแท่านน้ตึงมันไตสิเอมันเบร่างขั้นระมัดระวังังมันมันอ่งมันพดล่มินไหลลวดแข็งข้ายยดไปโดลมว หรือมีแสัตว์ลายเหลือสีลหรือไม่พลาดนมานีแล้วมักจำชัิดแล้วคนเรามาจะใครไม่กล้าถิ่นเอาทิ้งอยเดี๋ยวนัมันพ่าดอยู่เลยถ้ามันเลย่มมันถิ่นริบ่อยมันจะงนาะนั่นถึงยังรักลูกเดียร์ให้ปลกเล่าขั้นจำศีเพื่อรักสักทิพของเรามัอนก็ว่าพาศานั้นท่านเดิมก็ปะมาแต่าง่วงสีดงมันยง่วงส อันนั้นเราท่านดบึงท่านเรื่องมันจะทั้นท่านจะถอเหยยบลงไปกระลิ่มมน้กลางลู่แน่มันยังใสเหยยบลงไปังใส่เกินก็ดแต่ว่าทิงอันนี้เล้สิไปเ็ดเล่อเลเช่ยชื่อให้มันดีเยเห็ดไปเชื่รายมดีมัอนจะหวังมันนี่มันคือมันนี่ก็คือไปสร้าชื่อว่ามะเร็วถอนกังั จะมานั่งหลปลามาช่างยอยอยตะกันจทนอันไหเยคือท่านดูท่านท่านจะมานั่งหุดละมาช่างต่อหลุกปลาระมาช่างต่อหลุดท่านเยอท่านยูหลุดท่านท่านมีอยอเยอะตะการขจีถ้าท่านดูท่านูท่านจนั่นแหะมีเยอะเยอะแต่ว่ามาวเอาสิดยูนั่นโใส่เดี๋ยวมาสิอะไรเยอะเขาคิดนั่นไปอยู่น่ ไสสร้อยข้ายืดกรหายืนั่นน่ะมันไป ย, ยืดหัมันไมยืดหิตข้ามยืดอะรยืดนั่นนั่นล่ะยังไงวะเพื่อไห้้ามู่ข้างข้าันหลามไม่ิไปในรกนีากันจสพนั้นหลกิตนรกงคือกูซ่อยะชาดบาฮิโต ถามคาเมราเดสันเตสีถามนั่งหรืดตลัมมาตั้งลาเจ้าใบรับยาไปเรืนอยหลุดท่านกุโซอย า, าทา่าดูกาทีตเจอมุขท้านเที่ท่านบุญกุโซ่แต่กุศลปันหาจะเป็นเพื่อท่านบดดี เนตาบกพร้ัดหาป่าบดีดึงไมาดมือหรือหาผ้าาเ่กับดีเที่ยวกขาดดงหน้ามันดบาดมือนี่นั่นแหะนใดบุกซันโบีซันังซันดูความซันเล็ด่ดกัังั่น นั่นเดียวนันเป็นบาทนันก็เป็นบุ่นดาบหักขาไม่ว่านุ่งกางเกงือหักขาเตอเมือน้ำตาลบุกั้นพุชยับหาดพั่มตาพุ่ตาหรือหยาด้ามันเป็นข้นบนหุนหุ่นดาบหน้ามันบาดหนี้เหมือนกันนั่นไปิดเผงเปิดเผยนี่ละแล้วก็คือยู่เพราะกันนั่นยัดยาบาดแล้วบามันหักมุนเด้ตายเกิดขึ้ครับ ถามีบาทนั่งกระไลเพ้อหือมีบ้านทิ้งร้างจัดแดนนั่นเเป็นวิธีเลยในไอ้แจ้งไรเราใมันเป็นวิธีมันเกือกมันดีมันก็เสือกขายเสืกงาดัดมืดเสือกเลยมห้งเสือกเลย้งนานจะดวก้าไปอยู่ไดๆนั่งไปเอกอนอันนี้ใจแล้วก็มันคิดอยู่นั่นมันก็เถอมันนัเหล่าบาเถือนมันมีเถอะด้านนันแหละถ้ามันมันมีเถอมันมีแบบล้าพระองค์สัเจเสียนละ สำญาตจญาปัจจยญาติเวศนาเวสนาปัจจศาเวนาปัจจยะสัพนมตตาจำญาิญาปัจเจยะังสังขารสังขาราปัจเจยะปัจเจยะเกปัจจัยจึงในใจจิตจำมันต้องมีเวนาสักขันนั้นมัน่งนะมันก็สัมดจนักคิดหลายๆมันก็สัมเด็ มันไปจันเสียบันมัเกิด้วยสนาเรนาอย่าหลม่ีให้ึใจจันทร์ะบา้ไม่ไล่ให้ทุบใจจัระบเนี้ันอง่จัรมันไันด้นั่นแหละมันเป็นบาดเลยมันก็หนาคาบบาตลอดหนาทุกตบาดลใจเนียมันบาดแล้วหนาบาดแล้วเนบาดแล้วเ่สนาเน่มันก็สัญาสัญาปติญาไม่ปฏิญาเสีบบาด เ่มันี e ่สรามันจ้งงาสลปัาเนีเป็นสังาล่ะฮะนี่ยยนดได้ล่ะฮะเ่มันมัน็นผู้เแแต่หายาในในละเนี่ยยุงยานะเ่ก็เถ้าหายง่ายเลยแลเนี่มเสืมือมันก็จะหายแต่อย่างติดชุดเซนนั้นเ็ัก็สะดวกยิ่นเนล่ะเนี่ยนี่ยกันทียมสนาบัดเือน่าละใจสุดี นั่นแหละเอยู่หลมาคิดมมนีคิดเลยเวลามือ้มาคิดยมันก็ใเพราันถือเสอ่ท่านหายอยนจะาเอมันถือเสืนาหนึงกันเลยยึดหันยึยึดเสือมันจะยึดังไงเนี่ยนะแล้ว่าเจอเสือาจะไม่แล้วเจอมากรับเป็นด้วยดายไอคิดจะงดเจ็บตุกเนียเจอมาขึ้่ละแต่ว่าเส็ักมันละแต่ยังคิดว่าพักินแลจะเจยังงเส จะหาเสรดีแต่ว่ามือแข่งทำใหเสียมาดีกันมากเลยทำใขัดแต่ถ้าเกิดเจอว่าพับเกิดเอยมืออื่นพักพักลงไปมันก็ว่าักสูดีเลยทำเกยจะพักจะที่จะหน้าเองเห็นเองแล้วมันเพื่อนาพักตมนี้แหละพัุดเสร็จก็เอยพักลงไปาเกิดจะพักเห็วนี่จะางงานตามทั้นวางสายจะสร้างเราอันนันาคว่ำจะเป็นจะเป็นชิ้นอะไร เตยว่าซางและของมันคืเป็นต่างเหียวกับมาลถ้าต่างจากสวัสดิ์ที่วด่เป็นเหี้ยต่างกินอาหารในไทยตัวบวกเศษเหีวตัวก็เป็นในไทยผลเหี้อยู่ไทยผลเป็นอยู่ไทยเนี่ยผลยูิดเหนุกามันคืว่าเด่นอย่างจะแฉวันีจะเยีจะเชิดในญี่ปุ่นเลยอันสัตบุญคิดผู้เชื่อมากที่เสิดกระวอกพัดไ่เป็นทางในญีุ่น ไม่เส้นไม่เส้นตัวเหตุเนี้ยก็เป็นผลเยอะมาเหตุในถ่ายกับผลยังยัเป็นอย่แต่ยังเิดไปเชเด็ในคิดูนเท่านั้นก็เป็นอีกนันเปเหตุป็นผตัวบนี่นักกระชเป็นอยางเ่แล้วเนี่ยเไปเนี่ยอาเเป็นไปเป็นเสยางออาจะต้องไ้าเจอเตั่นคเป็นอย่างเนี่ยจะอยากพอยากทนทุกข์ปากาแต่แลเจยิดเติอยู่ ไป่ใจเรือของสุอลาศลาเช่กัันวี่บออกนี้สีนี่จสะตนนัเันครยาจะให้สเหลือเนเสียตัดเจ้ากจเหยีบแบบเช่เสียอยากสนกจะขั้เสียให้มากยนีเจเกอรสันหล่าท่หอาเงืนเอเดดเชื่อทางางต้องต้จับเย่านั้นเสีนคบ่ พล้าันหน้ากต่ห้มากวาเด็มเนี่ผมไป้มเนหนในเขียสันานังาอเ็ดผักหมนึ่งใบสามผมยังดุเข้าอออยู่ันแล้วเช็หนีนี่เอยพึมันยังใส่ร่านใดร่างท่าเตามัน่ะตัดสมันหล่ะเียขีออกันันมันยังผัดใหญอันนี้ถิมนานั่งนั่งคุยกันคึกกันยุ ว้ยม like ันว so, ัน er น like ันเขาบอกว่เห็ันเลยอะไรนี่ยม่เห็นจะเ็นมันคิดเห็นได้อย่างเดียอาัจะบไปหมัน่างจากันคิดหนมันหงอเหงือไม่เจยตัวพบท่านอยูท่านลาจแล้วบน่ามรอีมหาม่เจอหาม่คับหาม่นใจ่าน้อธิบายไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่แหละมันเป็นลย่งนีวนี้ มันเป็นเรืองขหาใจมันใช่เป็นเรื่องของตายดอกตายจคเต็มยาตายแคเ็มันเป็นเรื่องของเกเกถ้ามันเต็มยังคือตายเลยเยียนว่ะมนาคือรสนีแันประเสริฐดแล้วตายยตันมันเลยว่าตายชุไม่น่าจะตายจมั่นอยู่บ่อลารไปนั่งกับไปนั่นนั่งคิดยันั่ก็ะยบใช้แค่เหนือเลิกเดินตามไล่ใช้เ็อยสบายอยู่บบตาดาจะรันถึงกั มันเก็บมันยมันห่งมันหนาวมันเป็นหลกเป็นไข่มันเกิดถึงก้อนใจญ่ถึไตตันมนี่นีคืออะเนี่คือเราวนอนันขันเกตายมันดอยู่แลมันหน่ไปฟันไไตตานล้าขาไตตนนี่ไม่เป็นี่คเหลให้ไมัดไขบาปวมัดปวบเบาคืมานะตุ้ถึงก้อนสายถึงต้อนมันต้องคิดก่อบบไทยแต่ไทยหลังนี่ก็แลยว้อหยาดั้นมันนี่เมือนั้นเป็นถึงแล้วมันไปจนถึงสามหลัง ตายมันเส้นมันมีริบามันเียกื่อมันเส้นหลังอะมันเนือมันเหนีมันนังัน่งันตื่นนั่นแะมันใหญ่จ้มซ้อนมันยังสิดสาหาบางสิไปอยู่ผิดสาบางผิสผิาด้านนังไตจับเคลื่อนมมันจเป็ิดไมันเต็เป็นขวบทะยุที่เราฝกฝกมันเต็ยงเขียมันคเชื่อมทางทั้งสองางเละเรามีค่อยเชื่อมทางเชื่อมขานชืทาเยอยว่ไอันนี้มันก็เป็นื่อแหบะ สายจะเชื่อฝายเป็นหนสายืฝาปหึ่เ่ลอันียดสมันกันมานู้อเดียวกันอาลัดมาสายสายผ้าใจสายกัน่ายผ้าหายเกคิดเกนันมันกันี่สายบางทีนะนี่มันก็ตึงมันงแล้วให้อไกปเหตุการจลงหอเยมันยังครือนั้นก็ว่าดึงยาขาวหรือยาเส้ตายแบบมันดึมามาแบบนี้หรือเหมือนกันว่า สาคัญมันเป็นสำคัญไปในโลกเห็นแวนาเห็นเยๆนักก็เป็นยเสนเหลือสำนักเนบัพติเจือท่ยทั้งในโลกเใ้มาต่อยืนสายเส้นเป็นทงอลาบีนี่นี่แหละเนื้อเป็นเช่นน้เนนเสื่อมวเศษก้าถ้าเชื่อยกเช่นนี้ยังเท่งเนื้อผู้เีีที่เสืที่ขนเืออย่ลดาาดเนี่ยงกดาาดุปัญญาดตาดุวิาดตารมกูดตาดอย่างนี้ บุพเพแต่ะเ้าควมอามจุดอุดเสมอดเอชุดเจออองเกิดแต่ะท่านทั้งหลายทั้งหลายมันเปแนของสี่เหี่ยถึ่นเปนเจ้าผักชีเท่าก้าวอยู่ดรอมาอัลูกอมันมีอยู่าพระองค์ลูกแล้วเอามาดันยัดถิ่นให้มันยืดก็ลูกถึงตามเท่านั้นอางเี้ยยังสี่่าเยกอัดสุไปทั้งหมด มันเลี้ยงกอนมือเลี้ยงหลังกขาคิดด้วยเจเลี้ยงเราคิดเลานึ่ไอก็เกิดมาจากการดเจ้ากับิดที่สัมหหุจับกนเป็นรับตายเขาก็ะตุนที่สัมไอ้ว่าหุ่จับกับว่าวัดเงินค่านซะเยื้มคือสืบเนื้อเพลิงมาจัดทะลุคนอนิจาอะไกะชังกระลาตนดูได้ตายเมี่ยงไอิล้วกไปเยอะมันร่างตายมันบ่ยงน่งน้ที่ตังสัมหลัง เนี่ยเขอาบานมันหยั่งสนเพราะมันสอนเรื่องร่างกายให้บอกมันไปสอนบ้าด็เนี่สอนบ้านมันไ่ค่อยไม่ค่อยผูเสือหมีที่ทำสอนาหัวหัวเห็นนั่นหละให้เป็นสิหูสามแต่ส่งปลูไม่เห็นมาสอนใส่สิดได้เราไม่ไดูกผืนเดวนังัเาเาเรื่องสั้งช่ดือเขเห็นเราจะเห็นกะดือใจสืหึบเอากยึดกระเป๋าไดเห็นน้ำลา อันนต้องบันใหาบมันมีใจหนจำมาได้แหงนี้เ้ีหน้าใสเจ้าสีหินมีดเจ้าสีห์นเกือก็ส่จีน่านมันสูงสูงเงยสูงหย่อมสแล้วยืดนมุกยืดหลังแต่ไม่หักเป็นเจ้าหมึกสามจำมาได้ระนั้นแม่แต่มันก็ว่าไปหัดใ่้านี่หยุดล่าเหลืองสัมขะสัยาบกับเขาเพราะมันจะมีเือสูงูนหยุดง่ามัน เศษนไปลเชียใจ่สมันก็เศ้าถ้ามันเดิี่เนี่สิยเราเห็นด้วยตาดิ่งเน่ยมอหงสลเราทั้เราลูกกะลูมาเลยทั้งเราหอยู่มันกะลูกมาเศร้านั่นเลยเอายืดหน้าไปงอโง่ซะละลายเย็นแบบเย็ยาวมันถึงเชดินไปถึงนีนี่ยังเราอยากไปให้ได้หน้าผมแข็งว้างไปจนเาไม่เช็ดดินอยางเรา่อกะดันยดกันละปุ๊มันหูงจัดมันห เ็นมันในท่าน่มันไม่จะย้อนทเบียนนั่นอย่างที่แบบอันยอนสภาพนี่แหละ่ออะไรก็จะนี่แนี่ะเลือ้ยเะหนีก็นอนหลับนเขเือแ้าอะไรไปก็คเหลอเย็นเือรัด ข้าตาะเดนเที่ลนี่ล่ะันมัมีเงืออกอมันมันเนมันเอามันใมันเ่ืื่กิดไม่เีลของนันก็่บ้านวบเเงล่างอยู่มหยุดัดถึงันล่ ถ้ายังางมันอางมันกวาพ่อแล้วถึงคือล่ะเพราะมันว่ามีดอลสีนีไปรนังบอมีบอมสีนอนถังจืดเอาลายจะดีมันเกินเกินมาพราะเกิะไรเกินน่านตอนนั้นยังมาพ่ออันเลียงได้ทัางตายจะดีดอง่านตายเกินเลยเงินเลยช่องเลยขาเลยแท้มันอ้างเลยเล่าพ่ออะไรล่ะยิ่งใหญ่จะไปถึงคือล่ะทำอะไรท่านเจยมันละมนไม่น่าจะอ้าง้อง ตายดีฮะเนี่ยอามันเลมึงมีข้าวจะเทียใสกระเพร์เกี่ยน่อร้านนี่เกี่ยวมะม่วนั้นแหะขอมันเกี่ยเมือนี่แหละแังจะข้าอยู่ละมันเนาะยังชีวิอยู่บ้านนึ่งสันบ้านสันหลังไปยุนตันลาเข้าันกระเพร์แต่เนแผดินมึงยังข้าวแต่าขัใจผมมัน่มีต่อ้าต่ัมันเราไ่เห็นสัน่งมันดนี่ะเมั้ก็มันอยากได้มันอยากได้เนมมาดอมมาหน่อยนึงนี่บดียากได้ม่อ เพือเจเห็นเขานือมากยังเด็กด้เสดีสบายอ่านนังดีก็เจอไลยเอ้ยอจากได้เน่้อในๆนั่นก็มอือได้ลาวครับแล้วมันดีเนื้อนังชื่อละแล้มันว่ามีอะไรอองมันมันจะง่าดเป็นไรโลคปวดที่โซโรคภูเบ่าโรคอาที่โซมันรอดเน้นอหนางงว่ะ เราโลกเดี๋ยวไ่เลี้ยงถ้าเลกจขอมันนาบานี่โลกทู oh ้คนใหม่ยิ่งหนาอาสาศภูเขามันสีร้อนน้ำที่นีน้ำซีซียืดสั้นๆจนใหม่มันจะมีจากรอย่างเนี้ยนันแม่ก็้นี้ร่ำเลี้ยงเีว่อสะโพหนี้มันโลกมันมันนี่ถ้าเราไปขวมกั้นระวังมันโลกโลก ก็เป็นเส้นหญิ่นเส้นาสมันระเบิดจากโลกกะเลื่อยๆดาถ้าโลกนับเกิดยได้ัวเสืเสือบัลเมนพันเมนพัานไปยี่สิบแค่ละละมันระเบียงโลกอันเนี่ยอาจุโตัมันก็เลยร่อนกระโจอยู่เดียวร่อนมันมันมีโรคขยันมันยังเครือนล้งเส้นห่นเส้นามันกับบ่อร่อนยังรามาะเลยไงดาทมันล่อนมันร่อนยึดตัวมันยังเรื่อโรคพันย มันนี่หลายพันยอดพันยอดเลืกค่าล่ามสาวมันติดกันนีตามมาโลกือสาหรับการสร้งหน่วยปโลกกันนี่เนี่ยนเรียกว่าตามมาเเนี่ยมันตามมาเลิกไปเลิกเพราะเขาใส่ย่นนี่มันก็เล่นย่ดก็หาใจตายกด้ปเล่นแค่ดันหักเล่นไปด้วยกันให้เหลียวมหัศบรบษเล่นอย่างตายมันถงโลมันหักเจ็บยึดก็จข้าใจเห็นว่ามันไม่โลกยุคนั้ เนมันมันยังเ่้เจ็หลตามมาลนักมันหาเจ็งมายเจ็บเนี่ลวป่อยุมาเศร้องสี่แ้ววความกะได้คำว่ให้ยันหาได้คำว่จักปู่าหาาหรือหายาดไม่เอาไปใช้เนื้อมาเต็มชื่อนันก็เป็นชื่อชื่อท่านี่ชื่อพระองค์กระาด ทุกไปหลายหลาทุกคนเดือดาดทุกจะล่าทุกจะย่าจุกมาลนทุกสายแต่เพราะมันเป็นโรกทุกเนี่ยต้งชื่อเรวหัวขาทุกจะรีเทอร์ละทุกหัวขาดความจะโศกในทุกขอเขายี่บัเช่นขาดทุก็นทุกของไตจะล่าเผื่อจุอมาลนาทุกท้องไตแบบหัวขเป็นทุกสายเนี่ยจะรีเทอะทุกใจทุกฟาโซ สายเป็นทุกข์ใทุกข์สามันเามานัดกันทุกขาเน่เท่ามานัดกันแต่ว่าขับกอนเอทุกข์ใจที่่เราุประยชน์นิดหน่ะทุกข์ใจมันมันตายทุกตายตาทุกแล้วมันเส็จมันจำ่งย่างลานลมมันก็เลยไปทุกข์มันตันตายเดยตันีเดียวเนี่ยล่รถเป็นเพื่อะไรก็ทุกมันทุกข์สนบายเป็นยาเส้นแก่เสร็จเลยโบ เอาไปเกเเหลือด้กเอากวายละลกขจตลกอรัมแไปโลกลรตอกิจักบอกว่าจกับลั่กจักอลกโล้น้นส์าศกขันมีเือโลกเยนาขันโลกเาขันโลกสขันโลกขันโลกเ่มันเป็นโลกยทาตร์ ของพ่นสิมาลกทำเหลอกี่ว่าท่าเสีบอกกันว่านันเป็นสิแมสัตว์ที่าบเนื้อทั้งหลายพนแบบนั้นแล้วแ่จะมีแบบห่เนือห่อยู่ว่าใ่จะเชียร์นั่เราอื่อให้เาริงต้งผานันเราเอาื่อไปื่อเมื่อแล้วเราบ่เห็นนักเชียรโหลนาจาององร อสือนจะไล่เนี่ยมันก็เพาะันกันขึ้นผู้บ่เห็นจะม้อยเงีนยแหละฮะเนาว่าจะเขารัก็๋มื่อไปเสือนเมื่อกลับถแล้วเปนผู้เปล่ดีอสไปใช้กเียอนจะล่ให้มันลอก็เเัตาหิ่งีเดีวเห็นยิ่งขีละเนี่ยเนื้อผู้จืดจะเชื่องจัดดันเรื่อขี้เดี๋ยวะมอยมันก็จะืดเสือนให้เลยสัวมันจับมันหรือว่าั่งัดจานมัขามัน มันก็ย่อนคําบาลมาแต่จนเสื่มปสัมันต้เส้นร่อนเส้หนงอันนี้เราบรเวณเสื่อมจายางนี่จะดีเลยกระพือกระทึกแ้มันดีมันเชื่อยังเลยเชื่องแไม่ดีนักเอาไปชีมันก็เป็นอิิสูก็เสือมอยอยู่ตรงกระดนกรับชกะด็็นตาเสื่ออยู้ัวชิเสือมอยนันมันก็เด่นทอม่เสียงให้รู้ว่ามันเป็นกระพูกตามนี่ นั่น่พระค์มากามันนี่สนี่คืออะนั่นนันคือว่าอันนี้จำทุกทั้งรายกามันก็ไม่ยูดเดิมมันว่านั่นพระองค์มากาสิพระองเอาบันสมัน <im> ยื่เดิมมาบอกสิคือไอ้ลูเนี่ยันก็เต็มยืยันมันเต็มยื่เดิมผมจะบอกนั่นก็เต็มอย่างนั้นพองค์เคยพูดกาไอ้ลูมันยืดสั้นร่างมันยืดสยังต้องอธิบายเรื่องไอ้รางยู่ท่าหร่มากมันละ หมาว่าเมื่อหลังว่าับพ um ุ่งอุทาปาดูพุทศในชื like ah ่อเสสุดพุทะลูมาลก็เลยนี um, ่มากทีมันรู้จักสัตว์ุกกล้าุกมั่นน่เดียวมังกรูมาเยื่ตันมัเนเงนมันสีบลูมังกรูเกินสีสืบมันเกินข้างเกินข้างเกินไปที่แล้มันรู้หลายอ่ะมันมันมันมันดเกบพุทธเดนี่ไม่เล บุเพ okay. แต่จะเกากาพะพุทธเจ้าเนลูกงั้นตั้งพระพุทธเจ้าเป็นม่นัตเจ้าเป็บม่้าพบกุพะดมเนลูกบบลงั้งา น, นี้ดุ อ, อาเลียสัตว์ี ล, ละไม่ด้ลูกเอิญเป็นเนทุกเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยฉัจะชื่อมมันเนาเลียสัตว์มือลเหน้นวาุเพแต่พระพุทธเจ้าจะเต้าเนลูกท นี่มันจะเดินดนี่มันจะเดินแล้วกู้อุดตาดตาทแล้วคกตาอุดตาดิว่ง่หน้างอดตาดิว่เสมันแต่ว่านี่ันจะเดินอยู่มันลู่เยี่ันเลยมันนมันเห็นได้ชัดลู่เลยเพรามันมันบปเห็นมันกิไปลู่เอแลวง่อุดตาดิดีไซน์อตาดิ อบายเป็นงานลซงอันะเียดแคิดเงือกาเนมันจะเดิก่นที่ไม่หันยังไรูอตาดิีเรองนนี้มาทบังูเ็าจเลมันทหบูชก็นี่ะ่เจนเชนทองไมรู้เพาเนยให้อาเือให้ัใมเชื่อว่าไปเาแมว่าสไ ขอุจาวุล so ีแสทยอการพนชุดมอบามพระองค์เสดแสนมพระองคะเสริอยู่กับลูกยังอยู่กันอยู่บบนี้แบบนีนี่ละทวิกรเลืลูกตามโดยแต่ทานท่านจาโพงมีชื่อกำเนละผู้ที่มีมอยาพนทุดแบบนี้ก็ย้อนสายอยากพ่นทุดก็เลยพ่นทุดไปตามจอมมาาดังเป็นตาบอากูเคมีท่านมาอง่เลยนี่คิดโเล คนาสักรามีร่างเลยว่าพระองค์เริ่มมาพูดับข้อดมมือจับโบกขุดสบายสับได้ยินชี้โบกว่าทั้งที่โบกแตได้เรอยู่ชีวโบดนั่งอยู่ยะชีวิโกรามาเปนสระไวแค่เพื่อเรื่อพบก็เห็นเสร็จก็ได้เือดเสก็ได้ปฏิบัติไปคนไปอื่นยังพระองค์สอนั่งอยู่สอน่งที่สได้แขนเตนเหนือไปจับนี่ว่าั้งที่ ถ้าไม่พบแบบนี้การชนะจะพ้นไปเองเด้อฉันใ้ร่างการชนะเพื่อรีบเอาพชื่อโขดขาวีเยอะอันเราสิบเป็นพชื่อโิดหรือเป็นพวนอกจากชื่อโขดใสหล่าหเนี่ยแต่เราะถ้ามีคำนอกจากชื้อโดสนตาว่าอาจะไม่ได้พหนาตะี่ใส่ผู้เป็นโขดใสเน้อยก็ว่านา มันมีหาดมันก็นาตรงไส้แต่เพราะมันนืดไ m ่เดือดว่าฉันคิดพอยส่ใส่ในดินเตศาสนาาีใส่แตีหีดดี่เลั้น้ยเนเอนยูาพื้นดินตั้งศามันไขึ้นเาปนกวันิเนี่ยเดี่ยเชอว่าหันเล่าเป็นพุทธแตามในไส่ไหนมากระจงจำใจเชื่อเหลว ที่เราไม่ใช้เอกยุสเสกหอย่างเสกหินอย่างไม่ใช้สัมฤทิาเดียวไอ้เอนี้ถึงสัง้่นทุกสมฤทธุกอื่นเี่คืมันบิบถึงเือนทวานี่เป็นมิบน่ลยรัก้นีอย่างเานักสวตนี่มันยังมันักมันไม่วิสาเนี่ยมันก็เขาไปตลาดเปี่ยนาติในเปลี่นามือ เมื่วานมันเคลียวไปเรีอยๆถามซื้อลับเดี๋ยวถ้าใกลผลยู่ิ่งาวแท่งมันยังซื้ออย่เหมือนยังเคลียวไปเรื่อยๆผลยูสือเลมันจะไปสันีไหัวมันตานไอ้น่นได้บิบััดบัดไ่อผมตหัวมให้นิบเลที่แตเพ้มัน เสรมหยด้นเสียไปเื่อัเอาไปลนอะลนลักลักบุคคลคือมันถึงี่ดหลักหัวลักเื้อันเย็นกันน่เนตคนาเนี่ยหัวดิบเย็นเนี่ยกับชอตันเน้อไไปตไปตราการทงานไปชือตันนยู่ทั้งนึกเฉลิมิตจิตดาวาเชาืรักดาหััลมันอเนักัยเลย ดูดีใส so ่ส so so ิไอใส่นางใส่นางดีสบายสิเลยเนี่ยหางนางบ้านใดแตงเยนางนางใดนางใดอยู่แตงใดใดแตละเออแล้วดนดีดีละละดีใส่สีอสระแตงและแตงเยอะกว้างเยอะเนี่ยลักลุกแตือมันเนี้ัวว่าดีเสือบามาดีเสือลังลูกแงเออเพื่โดยลักทำชีวิตเพืนั้นเนี่ย เพว่าใกก้นกไปน้ำ <Loud> เ <noise> so really ่าต so ีนเหลือแต่ผู้บอิหารไมเข้าใจมันดีเนี่ยมาตัวด้ดีเลยวัดไปจับไปมันดีดี่มันดีดีหลังมันจะมาแตกมาเนี่ยข้ากับวัดโกรกแล้ว็จะไปจับมันมาใช้เสียแต่คือได้สร้างเลยแล้กตึกตึกมันสั่งให้มันใช้ก็เลยเตเไดมันเยอะแต่เราสร้า่นี่คือนอนแล้วผู้ิริเนี่ยฉันาถ้าเพื่อผลยอดมันสร้นเดียวทำเราสร้างตลอดไม่น่ัดิ แล้วกินให้มันกินจนแลมันักไอ้ตา้นตาอยูู่กกนมันเป็นเวลามันลักได้ถูกมันเปยอิสาเอาโอสิสระมันรักมันก็เนมฟันเสเสหลเปกรนมจิเพราะท่านไป่ี้ขึซือสหลัเนี่ยยังแฝงสเด็จปาร์ลส์เืองแบบเป็นวาระยังติดตาหน้าสิบอสาเนี่ยตอนก็ขึ้นในน่านแต่อแล้วหลงัก นั่งขึ AH. <t ifications> ้นข้าแล้ววันนั้นเราลับหลวงพจะไปอภิษฐาเขาจะนั่เป็นงุกนั่กันนีายหลายแบับหลายศาสตร์เป็นเป็นอาเซียนไทยด้ทีเดียวแหละเราจะมาลูว่าเราอภิษฐาด้วยมือเราจะมาลับถูกเราจะมาขินเราสัานนัางเลยเราเป็นดูเไม่ว่าหันเดก็เลยเฉยๆเพราะมันรับถูกมันงวัมนอภษาเนอี๋ยวรขึ้นขึ้นนี่ละ แล้วาาเป็นือเป็นคามุกเครื่องงานเร่องลับๆมันเป็นช่างเนี่มันรับเสือนั้นเป็นช่างสาเป็นเสือเดาบไม่ช่เน่เนี่ยนี่หละเาิดไปคาชัดก็ดีกระเพาะคาบลักมันไม่มีลาบคาบหาถาถาเส้นกเนื้อเส้นเกลยิบปดดีแปลรุ่งพงร่งคาหาถาสักเกือบชูตา ก็เพราะลับนี่ละสาลับสลาลับมันหายตัวไม่เกยนันนันนี่สาครมึดนี่สลาลับหายตัเป็นแบบเป็นสันเพราะว่ลาลับนี่และนี่ไม่ถึงทีอแหละการสร้างเราคนไม่เกี่ยวไม่ประเริยเลยการส้างถ้าเราเราสร้างดีสับูรณ์ไม่ได้เป็นาบบอย่างมันได้สุดง่ายสางลยกาวลาลับเราโอ้ยหมดตั้งตัน เนาะแต่เราเขาว่ารักหนูเป็ถเงยทีเดียวเลยเร็จเนี่ยแวเาบูาตัวรรักขันหนูมันจะไถแล้วเวลาแมนดีเดีเอาเขากันยี่ห้าว่าาจะเกียดละแค่หล่ถึงรักเกินรักเกลถึงมันเป็นสิ่งเงาคือไถมันเป็นเจ็บเป็นไถไม่ดีชบักันยีสวันดีาิั้ตดียกได้แ้ะบเเียได้ก่ เมื่อวจกันคได้บาทเราคิดยอดไปแล้วเป็นลบาทถึนมาได้บ่มีาษีอายุหายง่ายงายอย่างใดเลเดีื่อนั้นมเป็นสูรกึ่งที่น้ำมนมาบ่อเดิมอดนั้นนมันภืษีมาเกิดจริงพระพุทธเจ้าก็บภาษีมาตัดสั่งน้ำมันนี้สั้ระเจ้าเก็บเป็นบาทเงินเกมาตันทุกจันหลบจังเท่อย่าเกิดจรนงทำให้ทนทุกจริงๆมันนี่จเดิมพระองค์ม่รู้สามคนว่าบัญั่อ หายคือลก็ับล <appe> ูกหายาลูกกับอะไรเีั่นชนพะอยัแต่เรามุดนั่งสิสดบกพร่องจะปลูกอะไรวะชนนี้เกี้ยถึก็เลยอกเงินเลยบกปูน้องยังจะนัดที่บายเรื่ององิบุ๊คเพ่มชีวิตเพื่อพวกเพื่สิยุ่งนั้นก็อาจะสวดเกิดเยอะเลงายังโฉมยังน้ำสวดเยอะโฟบกปูถสงว่าเพื่อสิเกดจะมาตั้งถ้าคนจัดหินจากเงินเยมาก้า เอสอบเป็นตัว้ตั้ปวดนก็ปวบจุกดมิกรละบแิเติะลมันเย็นปวดเขียวีตะกีจะยู่อุ๊คตอกี้จะยู่ตั้งปวสนปวดมี่ขนาดนั้นเนี่ยเมื่อไเหตุน้นเล่าสืบปดได้สืเติจืเล่าเอายหละลางือดปวดแต่เชื่อท่นอยู่ไ่หลือคุพุทธบอกเล่า แล้วสุดตาเราสิ io, ่งเหลือครับบอเอาไรเหอเหลือหาสาร่าือว่าสุดตาล่าคือ่แทตายได้แล้วเคลื <t uk> <t uk> <t uk> <t uk ่นไหล่ะมันมันงตได้เพื่อสุดตาได้แค่ถิ่ับเป็นเชกเป็นยากเกิดหลายสาตหลายทอดไเลเนี่ยมันกินี่เหมนีอย่างนั้นก็ทุกเกิดชาติทุเดเชือตายยิแค่เกิดตายยิ่นีเหยมนี่เห่ยมเกิดหลังกันบ่สรนัเห็นไหมก ตอนที่รับเทนนพลกันมาดีนี่ละเป็นสาสนทั้ทั้สองทั้งห่เกาการแทรกกันมาได้ยินในทางจุดจุดจอมจุดตอนให้ดูเข้มขึ้นจิดจตั้งใจพระทีนไปตามก็เป็นบุญยุทธ์ไหมเป็นผู้ยึดและเป็นผู้ยึดที่ทำหนึ่งประมาทแต่จะมีจะตามจุดกอเจริญงานในสาศาสนาทั้งศาสนาทั้งจิตใจเจ้าจุดเข้มเวลาจอม ดางรับประทานอยู่แค่ชมาน้าคือลองกัมีด้วยกระตากช น, นินี